พัญญาสิบจำพวกพัญญาสิบจำพวกคือ 1. นพัญญาศินไทย 2. อพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจ 3. าพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติ 4. ีพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้า 5. ้พัญญาที่เข้าพิธีสมรส 6. กพัญญาที่ถูกปรงเทิด 7. จพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญา 8. ปพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้าง เป็นทั้งพัญญา9กพัญญาที่เป็นเฉลย 10. บพัญญาชั่วคราว304ที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาได้แก่หญิงที่มีมารดาคอยระวังควบคุมห้ามปราบให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาได้แก่หญิงที่มีบิดาคอยระวังควบคุม ห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาได้แก่หญิงที่มีมารดาบิดาคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายได้แก่หญิงที่มีพี่ชายน้องชายคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่า หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวได้แก่หญิงที่มีพี่สาวน้องสาวคอยระวังควบคุมห้ามปราบให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติได้แก่หญิงที่มีญาติคอยระวังควบคุมห้ามปราบให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลได้แก่ หญิงที่มีบุคคลร่วมตระกูลคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่มีธรรมคุ้มครองได้แก่หญิงที่มีผู้ประพฤติธรรมร่วมกันคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่มีคู่มั่นได้แก่หญิงที่ถูกมั่นหมายไว้ตั้งแต่อยู่ในคันโดยที่สุดกระทั่งหญิงที่ชายสวมพวงดอกไม้ให้ด้วยกล่าวว่า หญิงนี้เป็นของเราที่ชื่อว่าหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองได้แก่หญิงที่มีพระราชาบางองค์ทรงกําหนดโทษไว้ว่าชายที่ล่วงเกินหญิงคนนี้ต้องได้รับโทษเท่านี้ที่ชื่อว่าพัญญาสินไทยได้แก่หญิงที่ชายเอาทรัพย์ซื้อมาอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจได้แก่หญิงอันเป็นที่รักซึ่งชายคู่รักรับให้อยู่ร่วมกัน ที่ชื่อว่าพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติได้แก่หญิงที่ชายยกสมบัติให้แล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าได้แก่หญิงที่ชายมอบผ้าให้แล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าพัญญาที่เข้าพิธีสมรสได้แก่หญิงที่ชายจับมือจุ่มลงในภาชนะน้ำด้วยกันแล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าพัญญาที่ถูกปรงเทิดได้แก่หญิงที่ชายถอดเทิด ลงแล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาได้แก่หญิงที่เป็นทั้งธาตเป็นทั้งพัญญาที่ชื่อว่าพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาได้แก่หญิงที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาที่ชื่อว่าพัญญาที่เป็นเฉลยได้แก่หญิงที่ถูกนํามาเป็นเฉลยที่ชื่อว่าพัญญาชั่วคราวได้แก่หญิงที่อยู่ร่วมกันเป็นครั้งคราว